ในเนติประกรณ์เนี่ยนะคงทบทวนได้นะว่าคําว่าเนตินี่แปลว่าหรือความหมายเอาความหมายความหมายของคําว่าเนตินี่ก็แปลว่านําไปสิ่งที่นําไปเนี่ยนะถ้าโดยทั่วๆไปในพระไตรปิฎกเป็นชื่อของตันหาตัหานําไปไหนพบสาบเลยตันหาเนี่นําไปสู่พบสามคือพื้นฐานตัวตันหานเนี่ยเป็นตัวนําเกิด แต่ว่าการที่จะไปเกิดในการมาพบรูปประพบหรืออรูปประพบอยู่ที่กรรมตันหาเป็นเหมือนแม่กรรมเหมือนกับพ่อนีนะก็พักชักชวนสัตว์หรือนําสัตว์เนี่ยไปสู่ณนภะพภูมิต่างๆคัมภีเนติปรกรณ์ก็นัยยะเดียวกันแปลว่าคัมภีที่นําไปแต่ว่านําไปสู่มรรคผลนิพพานเลยเรียกว่าคัมภีเนติ ตัวเนติปรกรณ์เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งหาระนั่นนะหาระแปลว่าวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในคำสอนอย่างที่สองเรียกว่านยะนยะก็เป็นวิธีพิจารณาอัตถะทั้งหลายอย่างที่สามก็คือศาสนบประทานศาสนประทานนั้นเป็นการตั้ง ตั้งบทตั้งเป็นการตั้งพระ ส, สูตรเนี่ยนะวิธีการดูสูตรพิจารณาสูตรทั้งหลายในช่วงนี้เราเรียนถึงวิจยะหารวิพังเนี่ยในหน้าส6นะทบทวนนิดหน่อยว่าวิจยะหารนั้นคือการพิจารณาธรรมะส1บอบทเนี่ยนะหรือส1บอความหมายข้อแรกก็คือบท ข้อ2คำถาม3คำตอบ4คำหน้ากับคำหลัง5อ า, า 6, อาศถะหอาทีนวะ7นิสรณะ8ผล9อุบาย10ออนัต11อนุคีติการกล่าวโดยสมควรใน11ประการเนี่ยเป็นวิธีไปพิจารณาพระไตรปิฎกนนะพระไตรปิฎกเรียกอีกชื่อหนึ่ ง, ว, ว, งว่าพระสูตรที่ประกอบไปด้วยองค์เก้าหรือคำว่าพระสูตที่ประกอบไปด้วยองค์เ้าเนีย ถ้าตัวเลขอันนี้ใครที่เรียนคำว่าธรรมะธรรมวินัยมาจะมองออกว่าธรรมะเนี่ยจะนับหนึ่งก็ได้ใช่ั้มคือมีรถเดียวคือวิมุตติรถเนี่ยนะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะมากมายขนาดไหนก็ตามแต่มีจุดประสงค์เหมือนกันคือเพื่อความหลุดพ้นจากวัตทุกหรือพ้นจากกิเลสทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าจะแบ่งเป็นสองก็ได้เรียกว่าธรรมกับวินยัย เรียกว่าธรรมวินัยแบ่งเป็นสก็คือปิดกสเนี่ยนะไตรเรียกว่าสมเนี่ยนะปิดกก็คือคําสอนที่จับเป็นหมวดหมู่อยู่3ามหมวดใหญ่ๆถ้านับเป็นกลุ่มหรือนิกายเนี่ยนะก็ได้นิกาย5ถ้านับตามองค์เรียกว่าองค์เกนั่นะเรียกว่ามี9องค์คือสุตตะเคยะเวยาการณาคาถาอุท า, อานอิติวุตกะเป็นต้นถ้าจะนับแบบเล่ม ของเราใช้ฉบับ91เล่มนี่นะถ้าจะนับแบบธรรมคขันก็ 84,000 ถ้าธรรมคขันในแต่ละถ้าทมทั้งหลายเนี่ยนะเอาหลัก11ประการเนี่ยมาพิจารณาได้นี่ะถ้าพิจารณาบทเนี่ยสำหรับคนที่เรียนบ า, บาลีมาเนี่ยมีความสำคัญมากว่าแต่ละคำเนี่ยหมายถึงอะไรว่าสับนี้นะหมายถึงนามหรืออคยาตหรืออุปสรรคแล้วก็ เป็นลิงอะไรเป็นการอะไรเป็นพศอะไรเป็นต้นเนี่ยนะผู้ที่เรียนบาลีมาเนี่ยจะมองออกทีนี้พระธรรมทั้งหลายเนี่ยธรรมะจะเกิดลอยๆยไม่ได้มันต้องมีมีคำถามเกิดขึ้นก่อนแม้แต่เราจะคิดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมานะถ้าเราสังเกตเนี่ยจะต้องมีคําถามผุดขึ้นมาเป็นเป็นโจก่อนเนี่ยนะแล้วความคิดนั้นๆจึงจะเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเห็นคําตอบให้สาวไปหาคําถาม ถ้าเห็นคำถามให้คิดถึงคำตอบเนี่ยนะเพราะคาพูดเนี่ยนะใครที่พูดลอยๆเรียกอะไรลอยๆโดยไม่มีคำไม่มีโจ์เนี่ยมีไหมไม่มีเนี่ยนะมันก็ต้องมองสวงส่วนนี่ให้ออกถ้ามีอย่างของธรรมาพูดอันนี้คือคำตอบนะคำถามคืออะไรคำถามก็คือเหมือนเทศจารย์สันติ บ, บอกว่าอาราธนาให้แสดงธรรมอันนั้นคือคำถามที่แสดงออกไปนี่เรียกว่าเป็นคาตอบน่นะ ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยการตอบหนึ่งคำตอบออกไปเรียกว่าหนึ่งสูตรนะอาศัยคําถามอาศัยคําตอบอย่างนี้ก็มาพิจารณาคําถามกับคําตอบทีนี้เกี่ยวกับเรื่องคําถามคําตอบเนี่ยก็มาพิจารณาถึงคําหน้ากับคําหลังนะถ้าเป็นหลักไวยากรณ์เนี่ยเขาจะมองออกว่าถ้าคําหน้าใช้ศัพท์อะไรคําหลังก็ต้องใช้อันนั้นสมมติว่าให้ทานเพื่อประโยชน์อะไร นะให้ทานเพื่อประโยชน์อะไรก็บอกว่าให้ทานเพื่อประโยชน์หนึ่งเห็นเห็นเลยก็กําจัดความตนีนะอันนี้สองต่อไปอานิสงค์ของทานคืออะไรก็จะกล่าวถึงอา น, นิสงค์ของทานต่อไปอันนี้าการให้ทานเพื่อประโยชน์นนะแห่งโภคะเป็นต้นทผู้ให้ทานมากก็มีโภคะมากอย่างก็เหมือนกับเราสวดมนต์เมื่อกี้เนี่ยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาอันนี้คือคําตอบนะ อันนี้คือคำตอบถ้าหากว่ามีบุคคลมาถามว่าสวดมนต์ทไมเราจะตอบว่าอย่างไงพระพระพุทธเจ้าตรัสในในเรื่องเจดีทองของพระกสปะในคาถาธรรมบทว่าใครๆไม่อาจจะนับบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรยัยหรือบุญที่เกิดจากการนอบน้อมพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงเครื่องเนิรนช้า คือตัณหามาณทิฏฐิผู้ก้าวล่วงโศกกะปริเทวะได้แล้ว่ไม่ไม่รู้จะเอาเครื่องตวงชนิดไหนไปวัดว่าบุญมีประมาณเท่านี้กุศลเจตนาที่ที่เกิดจากการบูชาพระรัตนตรยัยถามว่าทำไมจึงมีอา น, นิสงส์มากขนาดนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะมองในด้านไหนเนี่ยนะ ในด้านชาติตระกูลพระพุทธเจ้าว่าชาติตระกูลสูงเนี่ยนะถือว่าในโลกนี้กษัตริย์ตระกูลสูงที่สุดในยุคนี้นะอย่างที่สองถ้าโดยวัยอ่ะพระพุทธเจ้ารุ่นก่อนเราใช่ไหมเราเคารพรุ่นก่อนได้เลยนะปู่ของปู่ปู่ของปู่ปู่ของปู่อย่างน้อยก็25ชั่วรุ่นนะั่นแหละถ้าอายุร้อยปีนะยีรุ่นเลยนะอันโดยวัยเนี่ยพระองค์ก็สูงกว่าทีนี้โดยคุณธรรมแหะ าหาอันนี้ไม่ต้องเอาไปเปรียบเล ย, ยไม่ต้องเอาฝุ่นไปเปรียบอะไรเอาแสงหิง่งห้อยหรืออะไรที่มันประกายนิดๆน่ะนะติดๆระดับเนี่ยไปเปรียบกับดวงอาทิตย์เลยยังไงก็เปรียบท่านไม่ติดปัญญาของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้พระพุทธเจ้า น, นั้นเรียกยอ่อๆว่าเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณพระบริสุทธิคุณ ท่านกุศลเจตนาที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรยัยเนี่ยนะพุทธบูชาบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีคุณอย่างนี้บุญอ น, นั้นจึงหาประมาณไม่ได้กุศลจิตของเราเนี่ยธรรมดานี่แหละแต่ไปนอบน้อมคนที่มีคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นบุญอันนี้เลยหาประมาณไม่ได้หรือเหมือนกับพ่อปลูกเนี่ยนะพ่อปลูกในดินที่ไม่ดีเนี่ยจะให้ผลเล็กน้อยถ้าไปพ่อปลูกในดินดีมเมล็ดพันธุ์อันเดียวนั่นแหละ ให้ผลหาประมาณไม่ได้ น, น, นี่คือพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้อันนี้ที่เห็นอีกอย่างหนึ่งคือเราบูชาพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะอะไรพุทธนะสาววพุทธเน้นที่การตรัสรู้สัจจะใช่เรานับถือพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าแทงตลอดอริยสัจ มันถ้าหากว่าเรานอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้แทงตลอดอริยสัจเราชื่อว่าสะสมอัธยาศัยเพื่อรู้อริยสัจแล้วเนี่ยนะมันผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้าโดยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติเพื่อโสดาบันเนี่ยนะปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันอย่างน้อยที่สุดมีศรัทธาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจ พระธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วก็คือตรัสอริยสัจนั่นเองนไโดยเฉพาะแสดงนิโรสัจจะเอาไว้เป็นอย่างดีนไนิโรสัจจะที่จะบรรลุได้ก็อาศัยมรรคสัจผู้ที่จะบรรลุมรรคสัจเจริญมรรคสัจได้ก็ทําปริญญาในทุกข์กลับละสมุทัยนไนี่เราก็เลยนับถือมาแม้ผู้ปฏิบัติตามแล้วตรัสรู้เราก็นับถือด้วยว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดี เรียกว่าสวักสุปฏติปันโนใช่ไหมสุปฏิปัโนโนเนี่ยนะปฏิปันโ น, น, นะโนก็คือผู้ดําเนินหรือผู้ปฏิบัติสุก็คือดีดําเนินไปดีแล้วผู้ใดก็ตามถ้าดําเนินไปเพื่อแทงตลอดอริยศาสตร์เรียกว่าผู้ดําเนินไปดีทีนี้เมื่อสัตทินรียหรือศรัทธาของเรามีในพระพุทธเจ้าอย่างนี้โดยอัธยาศัยเชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะสัตทินรีได้สัตทินรีทีนี้สัตทินรีเนี่ย คู่ควรจะบรรลุหรือไม่ก็เอาพระธรรมบทว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมมาเป็นเครื่องวัดแต่อย่างน้อยที่สุดก็ชื่อว่าปลูกฝังอัธยาศัยเพื่อการตรัสรู้ธรรมแล้วแต่ว่าสัตทินซีอย่างเดียวบรรลุได้ไหมไม่ได้อินซีห้านะแต่ว่าพระองค์ตรัสว่าบุคคลจะข้ามโอคะได้อาศัยศรัทธาเพราะศรัทธาที่มีต่อพระตนะตรายเนี่ยนะก็เป็นสัตทินรี ผู้ที่มีศรัทธาก็จำต้องมีความเพียรนะก็เป็นวิริยินทรสี่ถามว่าเพียรเพื่ออะไรก็เพียรเพื่อพิจารณาอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้5เรียกว่ากายเวทนาจิตธรรมเป็นที่ตั้งของสติก็เป็นการอบรมสตินสี่หรือสติปทานเพื่อล่ววิปลาสธรรมทั้งหลายที่เจริญนี้ไม่ได้ทำด้วยความฟุ้งซ่านใช่ถ้าจะบรรลุจริงๆนะ ไอ้ตัวเอกับขาตาอันนั้นต้องระดับอัปปนาต้องทำให้ได้ระดับอัปปนาแต่ถามว่าอัปปนาตั้งมั่นในการบรรลุอะไรบอกบรรลุอริยสัจเป็นอัปปนาที่เกิดจากการแทงตลอดอริยสัจเนีย่ยนะเพราะฉนั้นอินทรีย์ห้าจะต้องควบคู่กันไปที่จะทำให้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยนะแต่ทีนี้โอ้แล้วสวดมนต์อยู่เท่านี้เลยจะเป็นเหตุให้ได้บรรลุนะโบราณคนไทยเราสอนว่าอย่าประมาทบาศสองบา ท, บาทใช่หมเนี่ยนะ มีเสริงก็พึงมันจบให้ครบบาทเป็นต้นเนี่ยนะเขาจะแนะนําไว้อย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ถ้าแม้บาทสองบาทไม่สนใจเลยละ่ so ละก็มันจะไปเก็บเงินเยอะๆได้ยังไงกูสอธรรมทั้งหลายก็เหมือนกันแต่เป็นธรรมะประเภทอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยนะเป็นธรรมะกลุ่มอุปนิสัยปัจจัยอย่างเดียวทีนี้ในอุปนิสัยที่เกิดจากการนอบน้อมพระธรรมตรายเหล่านี้ถ้าดูคำภีอัปทานแล้วจะไม่สงสัยเลยเนี่ยนะ แต่ว่าเขามองกันเป็นกับกับ้ลยก่อนนะแต่นี้นี่พูดถึงว่าอะไรนะปลูกฝังเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยดูแลบำรุงรักษานะกลุ่มเนี้ยจะมองกันเป็นกับกับแต่ทีนี้ก็มีคําถามว่าผู้ที่จะบรรลุอริยสัจเนี่ยควรใช้เวลานานเท่าไหร่สมมุติถ้าเราปรารถนาจะบรรลุนะควรใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้ว่าถ้าปรารถนาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับตั้งแต่วันพุทธพยากรก็ควรจะสี่อสงไขยแสนกลับ เป็นอย่างน้อยอันนี้เฉพาะสําหรับปัญญาที่กะแต่ถ้าเป็นพระประเจ ก, ก็สองอสงไข่นะแต่ว่าไม่เกินสามอาสงไข่ช่วงนี้แหละถ้าเป็นพระครส า, าวกก็หนึ่งอสงไขเ่เศษอีกแสนกลับถ้าเป็นมหาสาวกนะแต่มีเอตะทะคัคคะเขาเรียกว่าเป็นยอดนะถึงยอดในเรื่องนั้นๆน่ะเช่นถ้าพระอานุ์ก็ยอดของพระหูสูตรอย่างเงี้ยก็แสนกลับเป็นพุทธบิดามารดาก็แสนกลับ แต่ถ้าหากว่าไม่ปรารถนาตําแหน่งอะไรเลยไม่มีไม่ขอมีชื่อเสียงนั่งอยู่ท้ายๆแล้วก็บรลุเงียบๆอย่างเงี้ยนะไม่ต้องใครรู้ก็ได้เป็นต้นเนี่ยนะหรือสมาคมประชุมฟังธรรมกันเป็นหมื่นเป็นล้านเป็นเป็นโกดเนี่ยนะอย่างสมัยที่แสดงย ม, มะกะฐาติหารเป็นต้นแสดงมหาสมัยสูตรเป็นต้นขอบรรลุหนึ่งในหมื่นล้านเนี่ยนะ หรือหนึ่งในแสนล้านไม่ต้องออกในปีดกใดปีดกหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมาตั้งชื่อสูตรเราเป็นชื่อสูตรก็ได้อย่างเงี้ยอันนี้อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การภาพเพียรไม่ได้อยู่ที่เวลาเนี่ยนะสำหรับผู้ที่มีตําแหน่งรับรองเนี่ยนะอันนี้อยู่ที่เวลาด้วยอยู่ที่ความเพียร ด, ด้วยแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการตําแหน่งใดๆทั้งนั้นแหละเนี่ยนะขอให้บรรลุอย่างเดียวใช้ได้ พูดแบบทางเหนือเขาบอกขอให้พ้นตุกขอให้พ้นตุกอย่างเดียวก็พอละนั่นนะอันอื่นไม่สนใจทั้งนั้นนั่นนะนกน้อยทำรังแต่พอตัวพอมีปิดอบายเป็นใช้ได้อย่างเงี้ยกลมเนี้ยไม่ไม่จำกัดเวลาแต่ว่าจำกัดคุณธรรมที่ปฏิบัติน่นะเจริญได้ไหมล่ะถ้าตั้งคำถามว่าเอ้เรานี่จะบรรลุได้ไหมอันนี้ไม่ต้องไปถามคนอื่นหรอกถามตัวเองถามว่าหนึ่งเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าขนาดไหน แต่ว่าสําคัญที่สุดนะโอ้ยขอให้บรรลุอนาคตการโน้นพููเน่ะถ้าตั้งอย่างนี้ไม่ได้บรรลุแน่นอนอันนี้เชื่อยังไงก็ไม่ได้บรรลุเพราะขอไว้ยาวเหลือเกินเนี่ยนะแต่ถ้าตั้งว่าจะต้องบรรลุให้ได้อันนัอันนี้ตั้งหัวขอชาตินี้แหละถ้าบรรลุวันนี้ได้เป็นดีอันนี้นี่ที่เรียกว่ามีอัธยาศาัยแล้วนะอส่วนที่สําคัญลนะสองความเพียรนะดีขนาดไหน 3ามกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยกายนี่สําคัญว่าอาสุภะจริงไหมละ่ะเวทนาเป็นทุกข์จริงไหมจิตไม่เที่ยงจริงไหมธรรมเป็นอนัตตาจริงหรือเปล่าเนี่ยเจริญภาคเพียรในส่วนนั้นดีไหมแล้วสมาธิสีเนี่ยมากขนาดไหนแล้วก็อริยสัจเนี่ยนะดูไม่เข้าเขาทุกปริญญานะสมุทยัยละนิโรธทําให้แจ้งเป็นต้นเนี่ยแต่และอย่างแต่และอย่างมามาตรวจเช็คได้เลยว่าคู่ควรไหมที่จะบรรลุ แต่ถ้าคิดว่าไม่ได้บรรลุนะยังไงก็ไม่ได้บรรลุแต่จริงๆแล้วไม่ได้บรรลุเพราะความคิดอันนั้นก่อนไม่ได้บรรลุเพราะไม่มีบุญเก่าถามว่าบุรุษทั้งหลายท่านจะดูถูกตัวเองทำไมว่าไม่มีอุปนิสัยเก่าถ้าไม่มีอุปนิสัยเก่าเราจะเลือกมาเดินเส้นทางนี้หรือเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเขาปฏิบัติทั้งน้าตากันทั้งนั้นแหละเนี่ยนะใครอ่านเทรีคถาบ้างก็จะเห็นนะ ถ้าเถรีหลายรูปยี่สิบห้าปีเนี่ยไม่ได้อะไรเลยมีแต่กิเลสกลุ่มรุมจะได้ก็ได้ฟังธรรมนี่แหละส่วนที่เหลือเนี่ยน้ําตาไหลพรากแล้นะกิเลสมันเล่นงานมากแล้นะอกุศลวิตกมันกลุ่มรุมมากอ่ะเออบรรุได้เหมือนกันนะมักขึ้นชื่อลือชาในเถรีคถาเหมือนกันพระอารหันต์บางรูปก็เหมือนกันร้องให้นั่นแหละมีพระมหาพระมหาสีวะใช่ไหมของเราได้ทำถึงท่านหรื อ, อยังท่านทรงพระไตรปิฎกด้วย แล้วท่านปฏิบัติชัยอิริยาบทสามเนี่ยนะยืนเดินนั่งอยู่สามสิบปีจึงได้บรรลุของเราเนี่ยโดยเวลาปริมาณแห่งการปฏิบัติเราทํากี่นาทีแล้วอย่างง่ายนะท่านเจนแรกที่ไม่ได้บรรลุเพราะคิดว่าไม่ได้บรรลุนั่นแหละมันห้ามเอาไว้ก่อนนะพอคิดว่าตัวเองไม่ได้บรรลุก็ไม่ภาคเพียรที่จ ะ, จะเจริญเพื่อเพื่อตรัสรู้ธรรมใช่ไหมถามว่าผู้ที่ไม่คิดไม่น้อมใจเพื่อตรัสรู้ธรรมเรียกอะไร เรียกว่าประมาทเนี่ยนะคำว่าไม่ประมาทเนี่ยแปลว่าเราจะบาเพ็ญสีละขันที่ยังไม่บาเพ็ญแล้วจะอนุเคราะห์สีละขันที่บาเพ็ญแล้วให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศ น, นขันก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะที่ยังไม่เจริญก็ให้จะเจริญขึ้นที่เจริญแล้วก็จะรักษาให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้ทํากิจในอริยสัจตั้งความปรารถนาว่าทุกข์ที่ยังไม่กําหนดรู้นะจะ ก, กาหนดรู้ทุกสมุทัยที่ยังไม่ละก็จะละนิโรธที่ยังไม่ทําให้แจ้งก็จะทําให้แจ้งมรรคที่ยังไม่เจริญก็จะเจริญอันนี้นะให้ตั้งความปรารถนาว่าอย่างนี้เสมอเรียกว่าไม่ประมาทแต่ถ้าทําตรงกันข้ามเรียกว่าประมาทแต่คนไม่ค่อยคิดว่าตัวเองประมาทหรอกเนาะเพราะฉะพันการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยย้อนมาอีกครั้งหนึ่งว่า เป็นการบูชาในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นการเจริญเป็นการปฏิบัติธรรมไหมในขณะที่สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะจริงๆขณะนั้นกำลังเจริญสัตทินซีอยู่กำลังเจริญสัตทินซีอยู่เนี่ยนะมันก็เชื่อว่าผู้ที่ตั้งอัธยาศัยเพื่อตรัสรู้ธรรมแล้วบอกว่าผู้ที่ถึงไตรสารณครเนี่ยนะการถึงไตรสารณครอีกวิธีหนึ่งก็คือการนอบน้อมกล่าวคานอบน้อมเนี่ย นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการถึงไตราสารณคมมันขณะใดที่เราสวดมนต์นอบน้อมพระตนะไตรขณะนั้นก็ชื่อว่าถึงไตราสารณคมด้วยเป็นการเจริญสัตทินสีด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยนะพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคืออะไรไอตรงนั้นแหละจะวาดได้แล้วไหมคู่ควรไหมที่จะบรรลุเนี่ยนะ มันทุกอย่างมีถ้าเป็นคำคำตอบอย่างที่พูดๆนะให้สาวไปหาคําถามได้เลยเนี่ยนะหรือถ้าสิ่งเดียวกันเป็นคําถามจะต้องมีคําตอบเนี่ยนะสิ่งที่ตอบไม่ได้คืออะไรก็บอกว่านิพพานนั่นแหละไม่มีอุปมาในที่ไหนๆอันนั้นแหละคือเรียกว่าไม่ต้องไปหาอุปมาในแง่อื่นเพราะเป็นอสังขตธรรมมาอั้นแต่ถ้าเป็นธรรมดา ท, ทั่วไปนะในโลกของสังขารธรรมเนี่ยให้รู้ว่าธรรมทั้งหลายไหลามาจาก ปัดใจเนี่ยนะทำทั้งหลายเนี่ยคือการประชุมพร้อมแห่งปัจจัยธรรมะนั้นๆจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมนั้นๆเกิดขึ้นเพราะการประชุมพร้อมแห่งปัจจัยอย่างความคิดที่เราคิดอยู่เนี่ยนะถ้าปัจจัยไม่ประชุมนะคิดอย่างนี้ไม่ได้ที่ตื่นอยู่ได้เนี่ยเพราะปัจจัยหลายเรื่องมาประชุมกันนะจึงตื่นเนี่ยนะแต่ถ้าปัจจัยด้านใดด้านหนึ่งเสียหายไปตื่นอยู่อย่างนี้ไม่ได้เนี่ยนะ ก็จะหลับไปปัจจัยที่จะทําให้ตื่นตัวนี่มีอะไรบ้างเพรว่าไปตามนั้นกาแฟแก้วหนึ่งอันนี้เห็นชัดเลยมือไหนที่ไม่ได้ทานก็อ่อนแยะเลยอันนี้หนึ่งในจํานวนปัจจัยทั้งหลายนะแต่ไม่ใช่ปัจจัยเดียวในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะหกคำเนี่ยเป็นธรรมะที่เอาไว้อธิบายทุกเรื่องเหมือนกันทั้งปตัตติปดฎกนะใช้ได้ทั่วปัตติปตดกเลย ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงอัาธาอาทีนวะนิสรณะเพราะคําสอนพระพุทธเจ้าจะไม่พ้นสัจจะไม่พ้นอริยสัจผัสอัาธาคือการประกาศอะไรสัจจะสมุทัยสัจจะอาทีนวะนี่คืออาทีนวานุปัสนานี่นะเป็นการประกาศทุกขสัจนิสระณะเนี่ยการสลัดออกก็เป็นการประกาศเนโรสัจจะนะ่นนะ แต่ทีนี้อย่ า, ล, ยาลืมว่าผู้ที่พิจารณาอริยสัจถ้าไม่มีกรรมมกตาเนี่ยแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ในการตรัสรู้ธรรมนแทบไม่มีเลยถึงรู้ว่าถึงรู้อัศาธาแต่พื้นฐานของการรู้อัศาธาแต่ไม่มีกรรมมกตาก็จะทำยังไงให้มีสัจอัศธายิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะดอกไม้ทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าสวยใช่หทุกคนก็รู้มองในแง่โลภะอัาธาธรรมดา รู้ว่าสวยเนี่ยนะแล้วทำยังไงจะให้สวยยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือจะรักษาความสวยเหล่านั้นได้ยาวขึ้นอันนั้นลักษณะของตัณหาเรียกว่ารู้อัาธาแบบไม่มีกรรมสกตาแต่ถ้ามีกรรมสกตานะนันทิสมุทยาทุกขะสมุทโยความเพลิดเพลินที่ใดเกิดทุกเกิดแล้วนะคำว่าทุกเกิดเนี่ยนะถ้าดอกไม้เดียวกันเนี่ยถ้าเสียหายไปล่ะ ว่าจะไปชอบกระถางใดกระถางหนึ่งเป็นพิเศษแล้วเขาไม่รดน้ําให้เลยเนี่ยนะมาอยู่บ้านสักสามวันอ่ะนะเขาไม่รดน้ําให้กลับมาเป็นยังไงอาทีนวะโอ้แรงมากเลยนะไม่มีใครดีสักคนเลยเนะนี่ยน่ะดีเราอยู่คนเดียวที่โทรมีโทสะทนั่นนะท่านสิ่งเดียวกันนี้เป็นที่ตั้งแห่งอาทีนวะหมดเลยนี่ในแ ง, ง่ตรงๆนะพระองค์ตรัสว่าความโกรธย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักเนี่ยนะ ภัยทั้งหลายก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักความทะเลาะวิวาทเป็นต้นก็เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักนั่นแหละสิ่งอันเป็นที่รักนำมาซึ่งความเสียใจนำมาซึ่งความเดือดร้อนใจแบบเห็นเนียนนี่ก่อนละในขณะเดียวกันเนี่ยนะถ้ารูปปัญหาเกิดสร้างอะไรสร้างตานี่ตาอะไรดีละ่ะ ถ้าตาคนนะถ้ามองด้วยโทรศัพท์เนี่ยนะควรจะตายยังไงตาเอียงตาเขตาเหลวตาเลือกตาก็ตามสมควรแก่กรรมแบบนั้นเถอะแต่ตันหานี่สร้างให้มีตานนรูปปตัตนหาสร้างตาสัทธตันหาสร้างหูเป็นต้นเนั้นนันทิสมุทยาทุกขะสมุทโยถ้าความเพลิดเพลินเกิดวัฏตทุกข์เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้เป็นภัยที่เรียกว่าถ้าไม่ศึกษาคําสอนเราจะไม่รู้เลยถ้าไม่อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจะคิดไม่ออกเลยว่าความเพลิดเพลินเนี่ยเป็นตัวนําเกิดนะเป็นการใส่ปุ๋ยบํารุงวัตตะเป็นอย่างดีผู้ใดเพลิดเพลินในทุกผู้นั้นก็จะไม่พ้นไปจากทุกเหมือ น, นขณะที่เราเพลิดเพลินในขณะนั้นเนี่ยสร้างวัตตะตลอดเวลาเห็นนะไม่ใช่เบื่อหน่ายในวัตตะนะแต่ตรงนั้นเป็นการสร้างวัตตะจำนวนว่าไม่ใช่ชักสะพานหรอกแต่ว่าไปเสริมใยเหล็กให้สะพานในวัตตะมันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นเห็นนะ แต่ว่าการมองอาทีนวะมากๆเนี่ยจะลดอัตสาหะได้ทันทีเสิ่งที่เราชอบเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นต้นนะตัวความตัวอารมณ์นั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วจะเห็นภัยว่าแล้วสภาพจิตทั้งหลายที่ไปไปพิจารณาอารมณ์นั้นสิ่งเนี้ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเการประกาศว่าไม่เที่ยงนเนี่ยนะเท่ากับประกาศสติปัฏฐานข้อไหน ถ้าพูดคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยเท่ากับประกาศสติปัฏฐานข้อไหนจิตตานุปัสสนานะถ้าประกาศคําว่าไม่เที่ยงเท่ากับประกาศจิตตานุปัสสนาถ้าประกาศว่าเป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนานุปัสสนาใช่ไหมถ้าประกาศว่าเป็นอนัตตาธรรมานุปัสสนาพรานคาพูดพูดไตรลักษณ์เดียวแต่เท่ากับประกาศสติปัฏฐานทีนี้ถ้าประกาศถึงคําว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเท่ากับแสดงอริยมรรคหรือยัง แสดงแล้วประกาศนิสระณะแล้วไม่เที่ยงนี่หมายถึงมักไหนไม่เที่ยงอนิมิตตาวิโมกนถ้าเป็นทุกข์อปะนิหิตาวิโมกถ้าอน้ตาสุญญาตาวิโมกนะถ้าโดยนัยะนะถ้าศึกษานัยมาเนี่ยในหนึ่งคำเนี่ยจริงๆแล้วแสดงไว้โดยโดยรอบหมดแล้วนั่นะให้พิจารณาให้ออก ที่ใดประกาศอัศาธาที่นั้นเท่ากับประกาศอาทินวะด้วยเหมือนกันที่ใดประกาศอัศาธาอาทีนวะที่นั้นแสดงนิสรณะแล้วนะแต่ทีนี้ถามว่าทำไมมันนิสรณะไม่ได้เพราะมันเห็นอาาัาเห็นอาทีนวะน้อยไปเพราะฉะนั้นอาทินวนุปัสนาจึงเพิ่มคำว่าอาทินวะไม่พอใชบวกอนุปัสนาเข้าไปด้วยแปลว่าตามเห็นโทษนึงๆ อ, อัอารทีนวะ อันใดอันนั่นคือนิพิทานีนะก็คือสิ่งเดียวกันเพราะอย่าลืมว่าวัตถุประสงค์ของวิชาการพิจารณาริยสัจเพื่ออะไรเพื่อออกจากวัตฏะ น, นะใครครวนแค่ไหนจึงจะสมควรแก่การออกจากวัฏฏะนั่นแหละพระพุทธเจ้าจะสอนจงใคร่ครวญอย่างนี้นั่นโคลนไม้นั่นเรือนว่างอันนั้นจะเป็นอนัตเลยใช่ไหมจะสั่งเลยไปทําอย่างนั้นไปทําอย่างนี้เดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังนะรีบเจริญไว้เธอเป็นต้นเนี่ยถ้อยคําเหล่านั้นจะเป็นอนัตขึ้นมาทันที ทีนี้ถ้าปฏิบัติตามนั้นจะได้ผลยังไงอ่ะนะไปปฏิบัติตามที่พระองค์บอกก็จะมีผลเช่นโสดาปฏิผลสกท า, าคามีผลอนาคามิผลอรหัตตผลแล้วก็นั่นเป็นผลที่ที่ที่เกิดจากการปฏิบัติตามคําสอนใช่ไหมทีนี้วิธีการก็อยู่ที่ว่านั่นแหะการใส่ใจโดยอศาศทะอาทีนวะนิสรณะนั่นแหละคืออุบายล่ะเป็นอุบายด้วยเพราะนั่นคือการเจริญหรือเป็นการ ปฏิบัติในในคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆอ่ะทุกสูตรก็ประกาศนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกคําว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะต้องมาชี้แจงเป็นปิดกครับอ่านี้ข้อปฏิบนะัติให้ถึงความดับทุกเนี่ยนะนี้ศีลนะนี้สมาธินะนี้ปัญญานะบางคนพูดเท่านี้เข้าใจแล้วอย่างคาถาว่า นรผู้มีปัญญาเนี่ยนะตั้งมั่นอยู่ในศีลอ บ, บรมจิตและปัญญาอยู่เป็นผู้ฉลาดเนี่ยนะผู้นั้นจะถางชัดนี้ได้ฟังแค่นี้เขาเข้าใจแล้วใช่ไหมของเราไม่ได้ต้องปฏิสัมพิธา ม, มากักเป็นเล่มๆนั่นะปฏิสัมพิธามักไปยังไม่พอนะต้องเอาคอมพีวเตอร์มาเป็นบริวารด้วยนะต้องไปอ่านพระไตรปิฎกอีกเยอะๆนะห่างกันขนาดนั้นเนี่ย น, นะจริงก็คือถ้าธรรมะนะถ้าเราจับประเด็นไว้ให้ดีนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร พระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วสาวกของพระองค์เนี่ยปฏิบัติอะไรกันถ้าตอบคำถามนี้ได้พระไตรปิฎกจะเรียนอยู่เรื่องเดียวตั้งแต่เรียนมาระยะหลายปีหลังมานะไม่มีเรียนอะไรพิเศษเลยก็เรียนแต่อริยสัจนั่นแหละทุกคำก็คือจะพูดให้นี้ควรกำหนดรู้นะนี้ควรละนี้ควรเจริญนี้ควรทำให้แจ้งก็มีอยู่เท่านี้แหละเรียนไปจะขนาดไหนมากขนาดไหนก็คือมีจุดมุ่งหมายอันเดียวเหมือนกับ หลังคาบ้านนะจะสร้างวิจิตสวยงดงามขนาดไหนกป็ประโยชน์เพื่อการแดดกันฝนเห็นไหมเท่านั้นเองคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะชี้แจงแสดงยังไงก็ตามจุดมุ่งหมายเพื่อรู้อริยสัจถ้าเรามีจิตน้อมไปเพื่อรู้อริยสัจนะคําสอนทุกอย่างเหมือนพูดกับเราอยู่คนเดียว